ในบรรดาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญเท่ากับใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะใจเป็นผู้ สร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับใจนอกจากความฉลาดหรือความโง่ของใจความฉลาดเป็นผู้สร้างความสุขให้กับใจ และดับความทุกข์ให้กับใจความงโง่เป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับใจและดับความสุขให้กับใจเราจึงต้องมาหาความฉลาดกันสิ่งที่จะทำให้ใจฉลาดก็คือธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีธรรมะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจรู้จักวิธีดับความทุกข์ให้กับใจถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีคําสอนเราก็จะไม่รู้จักวิธี สร้างความสุขและดับความทุกข์ให้กับใจเราก็มักจะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ได้สร้างความสุขให้กับใจอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในตอนนี้พวกเราก็ยังมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่ความสุขก็มีบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะเรายัางไม่ฉลาดอย่างเต็มที่หรือฉลาดแต่ไม่ใช้ความฉลาดนี้มาทำให้เกิดประโยชน์คือเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เราจึงยังไม่สามารถมีความสุขได้เต็มที่ดับความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติ อย่างเต็มที่ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะสามารถสร้างความสุขได้อย่างเต็มที่ดับความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ใจของเราฉลาดและทำให้ใจของเรามีความสุข ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดไปเราต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าศึกษาเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาผลนี้เกิดจากการปฏิบัติ หรือการกระทําของใจแต่ก่อนที่ใจจะปฏิบัติหรือกระทําสิ่งที่เป็นสุขและดับความทุกข์ได้ใจต้องรู้วิธีของการสร้างความสุขและของการดับความทุกข์ก่อนเมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติ ต้องกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลก็คือความสุขก็จะตามมาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหมดไปดังนั้นเราต้องเข้ามาหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ต้องหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้บรรลุธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว เราก็จะได้คำสอนที่ถูกต้องถ้าเราไปศึกษาจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็จะไม่ได้คำสอนที่ถูกต้องเพราะที่ผู้ที่ไม่บรรลุธรรมก็ยังเป็นผู้ที่ไม่รู้อยู่นั่นเองถ้ารู้ก็ต้องบรรลุธรรมท้ายังบรรลุ ยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ก็แสดงว่ายังรู้ไม่จริงแล้วถ้าไปศึกษากับผู้ที่รู้ไม่จริงก็จะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับผลคือการดับของความทุกข์และความสุขที่รนการเจริญของความสุข จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นบามมสุขบามังสุขขังดังนั้นต้องศึกษาจากแหล่งธรรมะที่ถูกต้องพระไตรปิฎกนี้ถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำและบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก ควนจะศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องเพราะเราจะได้มีมาตรฐานของการวัดคำสอนของผู้อื่นเพราะนอกจากการศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วเรายังต้องมีผู้ที่บรรลุธรรมคือพระอริยสงฆ์มาช่วยสอนให้เราอี ก, อกทอดหนึ่ง จะได้ประโยชน์สองทอดด้วยกันเพราะถ้าเราศึกษาจากพระไตรปิฎกเพียงอย่างเดียวความเข้าใจของเรานี้อาจจะคาดเคลื่อนได้คือเราอาจจะอ่านแล้วเราอาจจะแปลความหมายผิดไปก็ได้แต่ถ้าเรามีพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติเดี๋ปฏิบัติชอบ ทีเรียกว่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านะดังบทสวดมนต์ที่เราได้สวดว่าสุป ฏ, ฏิปันโนอุชยยายสามิจิปฏิปันโนภะกวาโตซาวกัสังคโคนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านะท่านจะเป็นผู้ที่ช่วยทําให้เราเข้าใจคําสอน ของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องเพราะการศึกษาของเราตามลำพังโดยไม่มีผู้ที่ได้บรรลุธรรมมาช่วยสอนเ อ, ก, เอกทอดหนึ่งแล้วอาจจะเข้าใจผิดในธรรมที่เราได้ศึกษามา ก, ก็ได้แต่ผู้ที่มีประสบการ ผู้ที่มีได้บรรลุธรรมแล้วนั้นจะไม่มีความคาดเคลื่อนผิดพลาดจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงควรจะศึกษาทั้งสองส่วนถ้าเป็นไปได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนเพื่อเราจะได้รู้คร่าวๆ ค, คำสอนของพระพุทธเจ้า ว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งเราก็เข้าหาพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ท่านได้ช่วยทำความกระจ่างในธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พราะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะไม่เกิดนั่นเองคือความสุขก็จะไม่เกิดความทุกข์ก็จะไม่ดับไปแต่ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องความสุขต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปนี่คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะ ทำให้ใจของเราฉลาดเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็จะต้องพึ่งผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วได้รับผลแล้วมาช่วย อ, อธิบายช่วยสั่งช่วยสอนอีกทอดหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติของเราเก้าวหน้าคืบหน้าไปทำให้เกิดผลคือความสุขและการดับทุกข์ต่างๆนี่คือวิธีทำให้ใจฉลาดเพราะถ้าใจฉลาดแล้วใจก็จะผลิตแต่ความสุขใจจะไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจไม่ฉลาดใจจะผลิต ความทุกข์จะไม่ผลิตความสุขกันถ้าพวกเรายังมีความทุกข์ใจกันอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ฉลาดเต็มที่ยังปล่อยให้ใจผลิตความทุกข์ต่างๆให้กับเราอยู่เพราะธรรมที่เราได้ศึกษาเราอาจจะไม่ได้เอามาใช้ถ้าเราเอาธรรมที่เราได้ศึกษาแล้วมาใช้ ทำก็จะระ ง, งับการผลิตความทุกข์ต่างๆของใจได้ดังนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสุขใจนั้นเกิดจากการกระทําบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ถ้าอยากจะมีความสุขใจให้เรามาทำบุญกันแล้วถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็ต้องละการกระทำที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็คือการกระทำบาปทั้งปวงการกระทำบาปนี้เป็นการทำให้ใจของเรามีความทุกข์และการไม่ชำระใจของเราให้สะอาดคือไม่กาจัด กิเลสตัณหาก็เป็นเหตุที่ทำให้ใจของเรามีความทุกข์ความทุกข์ของใจนี้เกิดจากการกระทําบาปและเกิดจากการมีกิเลสตัณหาอยู่ในใจเราจึงต้องละการกระทําบาปและชาระกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปถ้าเราทำได้ต่อไปเราใจของเราจะไม่มีความทุกข์ใจของเราจะมีแต่ความสุขนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามหัวข้อใหญ่ๆ ใ, ให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าของเราที่เรารู้จักพระองค์นี้เท่านั้นไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัสาัสโลกี่องค์มาประกาศสอนพระธรรมกี่องค์ทุกๆพระองค์ก็จะสอนเหมือนกันหมด เพราะความรู้ที่ได้ทรงตัดสั้เป็นความรู้เหมือนกันหมดเป็นความรู้ที่เป็นอมตะเป็นความรู้ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ตายตัวเป็นความรู้ที่จะทำให้ใจนั้นมีแต่ความสุขเป็นความรู้ที่ทำให้ใจนั้นไม่มีความทุกข์ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปไม่ว่าจะ อยู่ในยุคใดสมัยใดก็ตามความจริงที่ทําให้ใจสุขให้ใจทุกนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั้นคำสอนที่มันจะมาสอนใจให้ฉลาดเพื่อให้ใจได้ผลิตแต่ความสุขระงับการผลิตความทุกข์ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เมื่อมาตัดสรุ้ก็จะตัดตัดสรุ้ความจริงอันเดียวกันนี้แล้วก็จะนำเอาความจริงอันเดียวกันนี้มาสั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปดังนั้นเราไม่ต้องไปหวังไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะพบพระเจ้าองค์ต่อไปก็เหมือนกับพบกับพระพุทธเจ้าพราะองค์นี้อยู่แล้วมี เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันสอนเหมือนกันถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอที่รักษาโรคเหมือนกันจะรักษาโรค ก, กับหมอคนนี้หรือจะรอรักษาโรค ก, กับหมอที่จะมาในอนาคตก็เป็นหมอที่จะรักษาโรคเหมือนกันฉนั้นเราไม่ควรที่จะถูกกิเลสหลอกให้เรา รอพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะว่าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่มีอะไรแตกต่างกันในเรื่องของการสั่งสอนธรรมะจะสอนธรรมะเหมือนกันเพราะรู้ธรมอันเดียวกัน แล้วก็เป็นธรรมที่จะทำให้ใจของพวกเราฉลาดทำให้ใจของพวกเราได้ดูดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับตัวพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะร่างกายของพระพุทธเจ้านั้นได้จากเราไป สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วแต่ตัวของพระพุทธตัวของพระพุทธเจ้าเองนั้นไม่ได้จากออกไปตัวของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสอนนี่เองพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่จะจากไปพระองค์ได้ทรงตรัสว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราสจากศาสดาเพราะศาสดาของพวกเธอก็คือ สวากขาโตภะวตาธโมทมที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปถ้าเรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราอยู่ที่พระธรรมคำสอนถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอน ก็เท่ากับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงโดยที่ไม่ต้องให้มีร่างกายของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สั่งผู้สอนเรานี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่าตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะมาสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ สอนให้พวกเราได้มีแต่ความสุขเราต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพื่อที่จะได้มาสอนเราแต่โอกาสที่เราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะโอกาสที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงที่มีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้นี้ ก็เป็นสิ่งที่ยากมากยากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งขนาดถูกลอตเตอรี่ครั้งรางวัลที่หนึ่งครั้งเดียวนี้ก็ยังยากแสนยากคิดดูว่าจะต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งนี้จะยากขนาดไหนการที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วได้มาพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากและไม่เป็นและเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปหวังเพราะเราได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้แล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ที่เราหวังจะไปพบในอนาคตเหมือนกันถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตา แต่ถ้าเราไม่สนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยทรงตรัสไว้ว่าถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองเราอยู่ใกล้กับเรากเกาะชายผ้าเหลืองเราแต่ถ้าเธอไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคาสอนของเรา เธอก็เป็นเหมือนผู้ที่อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยต์ส่วนผู้ที่อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยต์ถ้ามีความสนใจที่จะศึกษาคำสอนของเรามีความสนใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของเราก็เป็นเหมือนผู้ที่เกาะชายผ้าเหลืองผู้ที่อยู่ใกล้เราก<ป>ารที่เราจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าหรือไม่ใกล้พระพุทธเจ้านั้น ไม่ได้อยู่ที่สรีละร่างกายของเรากับร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่อยู่ที่ใจของเรากับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าได้สัมผัสกันหรือยังถ้าใจของเราได้สัมผัสกับธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแล้วได้เกาะชายพระเหลืองของพระพุทธเจ้าแล้วได้พบตัวพระพุทธเจ้าแล้ว ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนตถาคตก็คือพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงเรียกพระองค์เอ ง, อง legends, ว่าตถาคตผู้ใดเห็นธรรมอผู้ที่เห็นธรรมก็คือผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุธรรมนั่นเองผู้ที่ได้บรรลุธรรมนั่นแหละ<ม>เป็นผู้ที่จะเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมนี่แหละคือประเด็นสาคัญที่พวกเราต้องเข้าใจกันเพื่อเราจะได้ไม่ถูกหลอกให้ปล่อยเวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่สนใจกับการศึกษาไม่สนใจกับการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ถ้าไปคิดว่ายุคนี้สมัยนี้โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมนี้หมดแล้วเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเราถึงจะสามารถศึกษาและปฏิบัติและบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะต้องคิดว่าะ ถ้ายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ยังมีการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเรามีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนเราแล้วถ้ามีการศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ<ม>การบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็ยังมีอยู่นี่คือความเห็นที่ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกหลอกให้ไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติกันนั่นเองอ่างนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้เหมือนกับเราได้อยู่ต่อหน้ากับพระพุทธเจ้าแล้วได้เกาะชายพ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าแล้วเราจรึงควรรีบขวนขวายรีบเร่งศึกษา รีบเร่งปฏิบัติทำกันเถิดเพราะเวลามันจะผ่านไปเรื่อยๆเวลาของชีวิตของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบเดี๋ยวพอถึงเวลาเวลามันก็อาจจะหมดขึ้นมาได้แล้วตอนนั้นเราจะเสียอกเสียใจที่เราได้ปล่อยเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งนี้ผ่านไป โดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราหมั่นพิจารณาถามตัวเองอยู่เนือ ง, เนองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าเรากาลังปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าเรากําลังบรรลุธรรมกันอยู่หรือเปล่าหรือเรากําลังไปทําอะไรที่ไร้สาระต่างๆที่ไม่มีคุณมีประโยชน์ต่อการสร้างความสุขและดับความทุกข์ให้กับใจของเราไม่มีอะไรในโลกนี้กิจกรรมอะไรในโลกนี้ที่จะสร้างความสุขดับความทุกข์ให้กับใจของพวกเราได้อย่างแท้จริง ได้อย่างถาวร น, นอกจากการศึกษาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเท่านั้นที่จะทำได้ดังนั้นถ้าเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนี้ก็แสดงว่าเราโง่แล้วเราไม่ฉลาดแล้วเราหลงแล้วเราเดินผิดทางแล้วควรรีบยูเทิร์นกำลังไปผิดทาง เราต้องการไปทิศเหนือแต่รถกําลังวิ่งไปทางทิศใต้เราควรที่จะอยู่เทิร์นรถของเรากลับให้มันวิ่งไปทางทิศเหนือถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุขเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราไปกันถ้าเราไม่ไปในทิศทางที่พระเจ้าสอนให้เราไปก็แสดงว่าเราหลงทางเราไปผิดทาง เมื่อเราไปผิดทางเราก็จะไม่ได้รับผลที่เราอยากจะได้แทนที่จะได้ความสุขเราก็จะได้ความทุกข์แทนที่จะดับทุกข์เราก็จะสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปแทนที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะทำให้เราติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นเราต้องตรวจตราดูการกระทาของพวกเราในขณะนี้ว่าเรากําลังทำอะไรกันอยู่เรากําลังละการกระทาบาปทั้งปวงหรือเปล่าเรากําลังสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมหรือเปล่าเรากําลังชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์หรือเปล่ากำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดตัณหาความอยาก คือกามะตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดโพธพะะภวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือเปล่าหรือเรากำลังสร้างกามะตัญหากันเรากำลังทำตามกามะตัญหากันกำลังไปหารูปเสียงกลิ่นลดมาเสกกัน กำลังหาเงินหาทองหาความร่ำรวยหาความเป็นใหญ่เป็นโตกันหรือพยายามหาวิธียับยั้งความแก่ความเจ็บความตายกันถ้าเรากระทำสิ่งเหล่านี้เรากำลังสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลของการสวน ทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือความทุกข์นั่นเองไม่ใช่ความสุขดังนั้นเราต้องคอยตรวจตาดูการกระทาของเราวันวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างวันเวลาผ่านไปผ่านไปเวลามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้เวลาที่เราจะใช้ในการศึกษาใช้ในการปฏิบัติ นั้นจะมีน้อยลงไปอยู่เรื่อยๆดังนั้นไม่ควรที่จะปล่อยเวลาอันมีค่านี้หมดไปเพราะถ้าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้อีกเมื่อไหร่และเมื่อเรากลับมาเกิดก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้อีกหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่า จะอยู่ไม่เกินห้าพันปีถ้าเราตายไปแล้วถ้าเกิดเราต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ถึงจะได้มากลับเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่แล้วถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ อย่าไปหวังว่าที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติอีกต่อไปเตอนนั้นเราถึงจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาตัดสรู้มาประกาศพระธรรมคําสอนอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นซึ่งเยก็จะเป็นเวลาที่ยาวนานยิ่งกว่าเวลาของการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราอาจจะเป็นร้อยปีพันปี แต่การกลับมาการมาตัดสรุปของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นี้จะเป็นเป็นกลับเนเป็นไม่รู้กี่แสนล้านปีนถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรุและมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พวกเราอีกครั้งหนึ่งนีดังนั้นตอนนี้พวกเรามีพระธรรมคำสอนแล้วมีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระอริยสงสาวกแล้ว ทำไมเราไม่รีบศึกษาไม่รีบปฏิบัติกันถ้าเรารีบศึกษารีบปฏิบัติทำกันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับประกันไว้ลว่าไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีถ้าอย่างเร็วก็เจ็ดวันถ้าอย่างช้าก็เจ็ดปีจะต้องบรรลุธรรมอย่างแน่นอนจะต้องมีดวงตาเห็นธรรมจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมให้บริการเราแล้วพร้อมรับใช้เราแล้วพร้อมให้เรามีความสุขพร้อมให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์กันแล้วทําไมพวกเราไม่ทํากันทําไมยังไปหาความสุขจากตาหูจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันอยู่ทําไมยังไปเที่ยวกันยังไปดูภาพยนตร์ไป ล้องลำมทำเพลงกันทำไมยังไปซื้อข้าวของต่างๆซื้อมาเต็มบ้านล้นบ้านแล้วมันทำให้ความทุกข์ในบ้านเราในใจเราดับไปหรือเปล่าทำให้ใจของเรามีแต่ความสุขเพลงอย่างเดียวหรือเปล่าซื้อมาเท่าไหร่ใจของเรามันก็เหมือนเดิมเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้มาทำให้ความทุกข์ของใจเราดับไป มันไม่ได้ทําให้ใจของเราสุขไปได้ตลอดเวลาถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปุ๊บก็จางหายไปแต่ความสุขที่จะเป็นความสุขที่แท้จริงพวกเรากับไม่สนใจเข้าหากันความสุขที่เราได้จากการศึกษาจากการปฏิบัติตามวิธีคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วจะเป็นความสุขแบบ แท้จริงแบบถาวรจะไม่จางหายไปอย่างควันไฟจะอยู่คู่กับใจไปตลอดไม่มีวันจากเราไปต่อไปดังนั้นเราขอให้เราอคอยถามตัวเราเองคอยเฝ้าดูตัวเราเองว่าเรากาลังทำอะไรอยู่เฝ้าดูตัวเราเหมือนนักโทษ นักโทษนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะต้องคอยเฝ้าดูตลอดเวลาไม่ให้หนีออกจากากรงขังไปเพราะหนีออกไปนอกกรงขังก็จะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและทำให้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้านั้นถูกลงโทษได้เพราะละเลยปล่อยปาละเลยหน้าที่ของตนปล่อยให้นักโทษหนีออกจากเรือนจําไปได้ เราต้องมองพฤติกรรมของเราการกระทาของเรานี้เหมือนกับเป็นนักโทษว่ากำลังทำในที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทาหรือไม่ถ้าหนีไปดูหนังหนีไปเที่ยวหนีไปฟังเพลงหนีไปกินไปดื่มหนีไปช้อปปิ้งหนีไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อนี่แสดงว่า เจาหน้าที่ปล่อยปากละเลยคือเราปล่อยปาะกลาเลยหน้าที่ของเราไม่ควบคุมพฤติกรรมไม่ควบคุมการกระทาของเราให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เราปล่อยให้มันทําพฤติกรรมที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเราไม่คอยเฝ้าดูเราจะไม่รู้เราจะไปกับมันแบบไม่รู้สึก ต, ตัว ถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าสิ่งที่เรากําลังทำกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าเรามาเปรียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันไม่ไม่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องทำ มีกิจกรรมที่พุจธเล่าให้ทำอยู่สามข้อใหญ่ๆนี้เท่านั้นเองที่เราควรจะกระทำกันกิจกรรมอย่างอื่นนี้เราไม่ควรกระทำกันและการกระทำบาปทั้งปวงก็คือหนึ่งให้รักษาศีลห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีไม่ให้เดิมสูรายาเมาไม่ให้โกหกหลอกลวง อันนี้เราทำได้หรื อ, อยังเราละการกระทำบาปขั้นพื้นฐานได้หรื อ, อยังละการกระทำบาปห้าข้อนี้ได้หรื อ, อยังเมื่อเราละละได้แล้วเราก็ไปละอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นของศีลแปดละการกระทำที่ทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจคือการกระทำตามความอยากนั่นเอง การกระทําตามกามตัณหาความอยากในรูปเสียงเกลื่นโลดพลตภะเราก็ต้องระงับด้วยการรักษาศินแปดถ้าเรารักษาศินแปดเราก็จะไม่สามารถที่ไปร่วมหลับนอนกับใครได้การร่วมหลับนอนกันก็เป็นเรื่องของกามตัณหานั่นเองเรื่องของความอยากเสพกามการรับประทานอาหารมากเกินไป มากเกินความจำเป็นมากเกินความต้องการของร่างกายก็เป็นกามะตัญหาเหมือนกันถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะรับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอก็ไม่ต้องรับประทานมากไม่ต้องรับประทานสามมือรับประทานแค่เที่ยงวันถึงเที่ยงวันก็พอแล้วพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว การรัประทานหลังเที่ยงวันก็ถือว่าเป็นกามัตันานาความอยากในกามเราต้องการชำระความอยากในกามเราก็เลยต้องมีข้อห้ามเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปกระทำถ้าเราไม่มีข้อห้ามเราก็จะไม่รู้ว่าการกระทำของเรานี้เป็นไปเพื่อกามะตัฐหาหรือไม่ถ้าเราถือศีลแปด น, นี่เราก็จะ ห้ามการกระทําที่เป็นการมตัญหาห้ามรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วห้ามไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นมหรศพบันเทิงต่างๆการดูภาพยนตร์ร้องราทําเพลงไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม หรือการไปซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นต่างๆ่อให้เกิดความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็ถือว่าเป็นกามาตัาหาเหมือนกันการเสริมความงามของร่างกายด้วยเครื่องสำอางด้วยเครื่องหอมเครื่องด้วยน้ามันด้วยเสื้อผ้าอาภรด้วยวิธีการทำเเผาทาผมอะไรต่างๆก็เป็นการ ก็เป็นกามาตันหาเหมือนกันเป็นความอยากในกามเหมือนกั น, นการหลับนอนมากเกินไปก็ถือว่าเป็นกามาตันหาเหมือนกันการหลับนอนที่ไม่เป็นกามาตันหาก็หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนคืนหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้านอนมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นการ นอนเพื่อกามัตตัญหานอนเพื่อความสุขเพื่อความสบายการนอนเพื่อความสุขสบายก็นอนบนฟูกหนาๆนี่เองทำไมเราถึงต้องนอนบนฟูกหนาๆกันเพราะเราอยากสุขอยากสบายกันแต่ถ้าเราอยากจะนอนเพื่อให้พักผ่อนร่างกายนี้เราไม่ต้องนอนบนฟูกหนาๆนอนบนพื้นแข็งนี่ก็ได้นอนกับพื้นกูเสือนอนกับพื้นแข็งแข็ง แต่ได้นอนไม่นมากร่างกายเวลาอ่อนเพลียเมื่อย่ง่วงนอนนี้นอนบนพื้นชนิดไหนก็หลับเหมือนกันแล้วพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วหลังจากสี่ห้าชั่วโมงไปแล้วก็จะเต่งขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาะๆก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสุกมันสบายก็จะนอนต่อก็จะเป็นการทำตามการมะตันหา แต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนี่คือมาตรการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาปฏิบัติกันเพื่อที่จะได้ต่อสู้ต่อต้านกามารตัหาภวะตันหาและวิภวะตันหากันด้วยการ ถือศีลแดกันแล้วเมื่อเราได้ถือศีล8ดแล้วเราก็จะได้ประโยชน์คือเราจะได้มีเวลาที่เราจะได้มาชําระกิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจได้อย่างถาวรถ้าเราไม่ได้ถือศีลแปดเราก็จะสามารถไปทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นถ้าถือศีลห้า เรายัางร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้อยู่เรายัางไปเที่ยวได้อยู่ยังไปดูภาพยนตร์ไปดูมหาหรสพบันเทิงอะไรต่างๆได้อยู่ยังไปงานเลี้ยงอาหารค่าได้อยู่ยังแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าท า, า, ท า, าปากได้อยู่นอนบนฟูกหนาๆได้อยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบาเพ็ญ การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญจิตตะภาวนาจิตใจจะปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้อย่างหมดสิ้นไปนี้จำเป็นจะต้องชำระด้วยการภาวนาการถือศีลแปหรือศีลส0บศีลสองยีบนี้เพียงแต่ห้ามไว้เท่านั้นห้ามไม่ไปกระทำ แต่ความอยากกระทำนั้นมันไม่ได้ตายเพราะถูกศีลห้าหมไว้ความอยากคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาหรือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจมันก็ยังไม่ตายไปเพราะอำนาจของการรักษาศีลการรักษาศีลนี้เพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปกระทำแต่ไม่ได้หยุดความอยากกระทำ ความอยากกระทำนี้มันไม่ได้หยุดด้วยการรักษาศีลการอยากกระทำนี้ต้องหยุดด้วยการภาวนาภาวนานี้ก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาจำเป็นจะต้องทำทั้งสองขั้นและทำเป็นขั้นตอนไป จำเป็นจะต้องทำขั้นตอนที่หนึ่งก่อนคือสมถภาวนาเราถึงจะไปสู่ขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาได้สมถภาวนาคือการทำใจให้สงบให้นิ่งให้หยุดความคิดหยุดความอยากไว้ชั่วคราวเวลาที่เราหยุดความคิดหยุดความอยากได้นี้ใจจะมีความสุขความอยากความอยากต่างๆ ความโลภความโกรธความหลัง ต, งต่างๆนี้จะถูกลังงับไว้ชั่วคราวเป็นเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้านี้หญ้ามันจะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราเอาหินออกเดี๋ยวหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ฉันใดการทําสมาธินี่ก็เป็นการลังงับ เป็นการระ ง, งับกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีที่สองวิธีที่สองนี่ยากกว่าคือวิปัสสนาภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อจิตมีสมถะภาวนาก่อนเป็นผู้สนับสนุนจึงไปทางวิปัสสนาภาวนาโดยที่ไม่ผ่านสมถะภาวนาไม่ได้ ต้องมีสมถาภาวนาก่อนต้องรู้จักหยุดความคิดหยุดความอยากได้ก่อนมีกำลังที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปขั้นวิปัสสนาเพราะขั้นวิปัสสนานี้เป็นขั้นของเหตุผลเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่จะสอนใจให้รู้ว่ากิเลสตัณหา t ี i เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ และสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการก็เป็นความก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มาจะต้องมีวันจากกันไปเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เขามีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ดับเวลาเขาดับมันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาอันนี้ขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนา แต่ก่อนที่จะไปขั้นวิปัสสนาได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งคือขั้นสั ม, มะถะภาวนาก่อนคือต้องมีความสามารถหยุดความอยากให้ได้ก่อนหยุดกิเลสตัณหาให้ได้ก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นการหยุดชั่วคราวก็ตามแต่ก็ต้องหยุดให้ได้ก่อนเพราะเมื่อเราไปถึงขั้นต่อไปขั้นวิปัสสนาวิปัสสนาก็จะสอนจะบอกเหตุผลให้เรารู้ว่าทาไมเราต้องหยุด กิเลสตัณหาเมื่อเรารู้ว่าเราต้องหยุดตัณหาแล้วทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเราก็หยุดมันถ้าเราหยุดมันทุกครั้งต่อไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมามันก็จะหายไปอย่างถาวรมันจะหายไปอย่างถาวรเพราะเรามีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาถ้าเรามีสมถะภาวนาอย่างเดียวเราจะทำให้มันหยุดได้ชั่วคราว ถ้าเราไม่มีสมถาภาวนามีแต่วิปัสสนาภาวนาเราจะหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาไม่ได้ถึงแม้เราจะรู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เราทุกข์ใจกันแต่เราก็จะหยุดมันไม่ได้เวลามันอยากจะไปเที่ยวเราก็จะหยุดมันไม่ได้เวลามันอยากจะไปหลับนอนกับใครเราก็หยุดมันไม่ได้ เพราะเราไม่มีสามัตภาวานาเป็นผู้หยุดเนี่เรามีปัญญารู้ว่าการไปทําตามกา ร, รมารตันหานี้จะนําไปสู่ความทุกข์การกระทําตามภวะตันหาวิภาวะตันหาจะนําไปสู่ความทุกข์เรารู้ตอนนี้เรามีวิปัสสนาภาวนากันเราฟังเทศฟังธรรมนี้เราได้วิปัสสนาภาวนาแล้วเพียงแต่ยังเป็นวิปัสสนาที่ ที่ยังไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือยังยังลืมได้ยังหายได้เวลาฟังก็เหมือนกับว่ามีพอไม่ได้ฟังก็เหมือนกับว่ามันหายไปพออยากจะไปเที่ยวก็ไม่มีวิปัสสนามาคอยมาคอยห้ามก็ไปเที่ยวทันทีถึงแม้จะมีว่าวิปัสสนามาคอยห้ามก็ยังห้ามไม่อยู่หรือว่าไปเที่ยวไม่ดีแต่ก็ยังอดไม่ได้ เพราะสู้กำลังของกิเลส ท, ที่อยากไปเที่ยวไม่ได้เพราะยังไม่มีสมถภาวนานี่แหละทำไมเราจึงต้องไปเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกก็ต้องรักษาศีนหให้ได้ก่อนถ้าเรารักษาศีนห้าไม่ได้จะไปรักษาศีน8ดได้อย่างไรศีน8ปมันมากกว่าศีนห้าห้าข้อยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปรักษาแดข้อได้อย่างไร ตอนต้นก็หัดรักษาห้าข้อไปก่อนถ้าห้าไม่ได้ก็เอาสามก็ยังสี่ก็ยังดีสามก็ยังดีสองก็ยังดีหรือหนึ่งก็ยังดีขอให้มันมีสักข้อหนึ่งก่อนการกระทาอะไรมันก็ต้องมีการเริ่มต้นทําจากน้อยไปหามากอย่าไปอ้างว่ารักษาไม่ได้ก็ไม่รักษามันเลยทั้งห้าข้อข้อไหนรักษาได้รักษาไปก่อนเหมือนกับการเดิน ตอนตอนอยังวิ่งไม่ได้ก็คลานไปก่อนคลานได้แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้ก็เดินไปก่อนพอเดินได้แล้วเดี๋ยวมันก็วิ่งได้เองทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมทำจากง่ายไปหายากได้ตอนนี้เราทำตรงไหนที่มันง่ายได้ก็ทำไปก่อนสีหน้าข้อนี้เราเลิกข้อไหนได้ก็เลิกไปก่อนข้อสุราเลิกได้ไหมไม่ดื่มสุราได้ไหมไม่ดืม่ม ถ้าดื่มแล้วมันจะตายหรือไงอถ้ามันไม่ได้ดื่มแล้วมันตายก็ควรจะดืม่มถ้าไม่ได้ดื่มสุราแล้วไม่ตายก็อย่าไปดื่มมอนดื่มน้ำดีกว่านะถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำน้ามีประโยชน์สุรานี่มีโทษดื่มแล้วทําให้เรามึนเมาเมื่อมึอนเมาเราจะไม่สามารถรักษาสีนข้ออื่นได้เหนข้อที่หนึ่งก็ควรที่จะรักษา การดื่มสุรายามาอย่าดื่มสุราแล้วก็ลองนักษาข้ออื่นต่อไปฆ่าสัตว์ละเว้นได้ไหมแม้แต่มดมแมลงก็ไม่ฆ่ารักทรัพย์ของผู้อื่นละเว้นได้หรือเปล่าประพฤติผิดปร ะ, ประเพณีละเว้นได้หรือเปล่าพูดปดโกหกหลอกลวงละเว้นได้หรือเปล่า ถ้าเรามีความตั้งใจมีความพยายามมันต้องทำได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ดีเพราะมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเวลาเราทำบาปในใจของเราจะไม่สบายเวลาไปโกหกใครในี้ใจเราจะไม่สบายเวลาไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นใจของเราจะไม่สบายเวลาไปประพฤติผิดระเวณีนี้ใจจะไม่สบาย ดังนั้นขอให้คิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทาบาปแล้วมันก็จะทำให้เรามีความตั้งใจมีความพยายามที่จะไม่กระทำบาปเมื่อเราได้เมื่อเราได้มีความตั้งใจมีความพยายามแล้วเราก็จะรักษาเราก็จะทำได้อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรพยายามถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเราก็ต้องมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจการที่เรามีความตั้งใจเพราะเรารู้ว่าการกระทำบาปนี้มันเป็นโทษกับเรานั่นเองเหมือนกับเป็นการดื่มยาพิษเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มเป็นยาพิษนี่เราจะกล้าดื่มกันไหย เราไม่กล้าดื่มกันแต่ที่เราดื่มเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นยาพิษดื่มแล้วเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาอย่างนี้เราก็ดื่มกันมารู้ก็สายไปเสียแล้วเมื่อมันเริ่มเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้ที่เราทำบาปกันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นประโยชน์เพราะเราจะได้ กระทำสิ่งที่เราอยากก็ทํากําจัดสิ่งที่มาคอยขัดขวางการกระทําของเราอการอยู่อย่างเป็นสุขของเราเช่นกําจัดมดมแมลงต่างๆข่าสัตว์อหรือข่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อสัตว์มารับประทานเ อ, อเพื่อที่จะได้ให้เราดํารงชีพอยู่ได้แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจของเราถ้าเรารู้ว่า การกระทำบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็จะได้มีความอยากที่จะหยุดกระทำบาปมีความตั้งใจที่จะไม่กระทำบาปมีความเพียพรพยายามที่จะไม่กระทำบาป sådan. เมื่อเรามีความตั้งใจมีความเพียพรพยายามเรามีเหตุผลว่าทำไมเราไม่ต้องไม่ควรจะทำบาปเราก็จะทำได้เองทำข้อหนึ่งได้ก็ทำข้อสองข้อสองได้ก็ทำข้อสาม ทำข้อที่ไหนมันง่ายกว่ากันก่อนข้อยากนี่เอาไว้สุดท้ายก่อนเหมือนเวลาเราทำข้อสอบอย่าไปเสียเวลาทำกับข้อยากมันจะเสียเวลามากรีบไปทำกับข้อที่ง่ายๆก่อนเมื่อทำข้อง่ายๆเสร็จแล้วมีเวลาเหลือก็มาทำกับข้อที่ยากต่อไปถ้ามัวแต่ไปทำกับข้อที่ยากเดี๋ยวหมดเวลาทำได้ข้อเดียว นี่วิธีของคนฉลาดเวลาเขาทำข้อสอบเขาจะเลือกทำข้อสอบที่ง่ายก่อนข้อสอบที่ยากนี้เอาไว้ก่อนเพราะเวลามันจำกัดชีวิตเราก็เหมือนกันชีวิตเรามีเวลาจำกัดเรามัวจะมาทำข้อที่ยากเดี๋ยวข้อที่ง่ายไม่ได้ทำ เ, ออเดี๋ย ว, ยวทำไปทำมาจะทำได้แค่ข้อเดียวออแต่ถ้าเราทำข้อที่ง่ายก่อนนี่เดี๋ยวเราก็จะทาได้ทุกข้อหรือทําไม่ได้อย่างน้อยก็ได้สี่ข้อ ข้อทียากก็อาจจะไม่ได้ก็ช่างหัวมันอย่างน้อยก็ยังได้ยังไม่สอบตกถ้าได้4ี่ข้อ4ี่ใน5ข้ อ, อนี่ก็คือเราต้องมีความเพียรพยายามเราต้องรู้เหตุผลของความเพียรพยายามของเราว่ามันเป็นมันคุณเป็นคุนเป็นประโยชน์กับเรามันเป็นการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปมันก็จะทําให้เราต่อไปรักษาศี่ห้าได้ รักษาสิน5้าได้เราก็ขยับขึ้นไปรักษาสิน8ต่อไปไม่ต้องรักษาที่เดียวพร้อมกันก็ได้8ข้อห้าข้อก็เพิ่มอีกข้อเป็นข้อที่6เลือกเอาข้อไหนก่อนก็ได้ข้อหลับนอนกับแฟนหรือข้อรับประทานอาหารเย็นหรือข้อไปเที่ยวหรือแต่งเนื้อแต่งตัวหรือนอนเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนถ้าทำทั้งหมดไม่ได้ทั้ง ทั้งสข้อนี้ก็เอาข้อใดข้อหนึ่งไปก่อนเปลี่ยนทําไปทีละข้อ2ข้อแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําทุกวันใหม่ๆก็อาจจะลองแค่วันเดียวก่อนอาทิตย์1วันพระวันหยุดทํางานวันไหนสะดวกก็ลองทําดูอาจจะทําทั้ง8ข้อเลยถ้าเป็นวันหยุดถ้าเป็นวันทํางานอาจจะทําไม่ได้ครบ8ข้อก็ไม่เป็นไรเอาหข้อ7ข้อไปก่อนทําไปแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะทําได้ เมื่อเราทำศีลรักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาที่เราจะได้มาเจริญสมถภาวนามาทำใจให้สงบให้นิ่งการจะทาใจให้สงบให้นิ่งนี้จะต้องมีสติคอยกากับคอยควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิดเรืเ่อยเปื่อยบังคับให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือบังคับให้มันจดจอ่อเฝ้าดูการกระทาการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้ามีการจดจอ่อมีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดสติขึ้นมาสามารถควบคุมความคิดได้พอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งนิ่งๆหลับตาเพราะถ้าไม่นั่งนิ่งจิตจะไม่นิ่ง ถ้าจิตถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่จิตยังต้องทำงานยังต้องควบคุมคอยสั่งร่างกายให้เคลื่อนไหวถ้าอยากจะให้จิตนิ่งนี้ต้องทาต้องให้ร่างกายนิง่งต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ควบคุมจิตให้ไม่คิดให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าจะให้อยู่กับลมหายใจก็ดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ต้องตามลมเข้าลมออกดูที่จุดเข้าจุดออกก็ได้คือที่ปลายจมูก หรือดูที่หน้า อ, อกก็ได้ถ้ามีความรู้สึกว่าลมเข้าแล้วรู้สึกหน้า อ, อกพองขึ้นมาเวลาลมออกหน้า อ, อกยุบลงไปก็ดูตรงตรงที่หน้า อ, อกก็ได้หรือดูที่ปลายจมูกก็ได้ตรงที่ลมสัมผัสเข้าออกไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมลมจะหายใจยาวหรือสั้นก็ปล่อยมันหายใจยาวสั้นไปตามเรื่องของเขาจะหยาบหรือละเอียดก็ปล่อยเขา เป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ต้องไปควบไม่ต้องไปบังคับลมเราต้องการบังคับใจต้องการควบคุมใจไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่กับลมอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าอยู่กับลมได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบแล้วใจก็จะมีความสุขมีความสบายแล้วก็จะมีกาลังสามารถหยุดความอยากได้ ถ้าไม่ใช้นมก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธก็ได้บริกรรมพุทธโธพุทโธไปโดยไม่ต้องดูลมอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวไม่ต้องสนใจกับลมเลยให้อยู่กับคาบริกรรมอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่คิดอยู่กับคำบริกรรมก็ได้หรือถ้าอยากจะเอาลมกับคำบริกรรมมาผสมกันก็ได้บางคนชอบหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธอย่างนี้ก็ทาได้ แต่ไม่ต้องทำเหมือนกันทุกคนบางคนชอบลมอย่างเดียวก็เอาลมอย่างเดียวบางคนชอบคำบริกรม ร, กรมอย่างเดียวก็เอาคำบริกรรมอย่างเดียวบางคนชอบเอาลมกับพุทโธมารวมกันผสมกันก็ได้ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องตายตัวแล้วแต่จะเหมาะกับแต่ละคนจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนกันแต่ผลที่จะได้รับมันจะเหมือนกัน คือจิตจะเน่งจะสงบจะหยุดความโลภหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอเราสามารถหยุดความโลภความอยากได้ก็พยายามทำให้มันชำนาญก่อนอย่าเพิ่งไปทางวิปัสสนาทำให้มันชำนาญสามารถหยุดมันได้ทุกครั้งที่เราต้องการเร า, เราค่อยไปทางวิปัสสนาต่อไปวิปัสสนาก็เพื่อสอนให้ใจเราเรื่อว่าการกระทาตามความอยากนี่ จะนำความทุกข์มาให้กับเราเราต้องหยุดความโลภหยุดความอยากทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้เหตุผลว่าทำไมเราต้องหยุดเพราะว่าการไปทำตามความโลภความอยากถึงแม้จะได้ความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วก็ต้องไปหาใหม่ต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งก็จะต้องไม่สามารถหาได้ แช่นร่างกายแก่เจ็บตายก็ไม่สามารถหาได้หรือกำลังทรัพย์ไม่มีก็ไปหาไม่ได้อยากจะซื้อข้าวซื้อของอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีกำลังทรัพย์ก็ไปซื้อไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ให้คิดแบบนี้เพราะเมื่อไม่สามารถทำตามความอยากได้อะไรตามมาก็ความทุกข์อยากไปเที่ยวไม่ได้ไปก็รู้สึกว้าเวเศร้าซ้อยหงอยเหงา อยากจะซื้อข้าวซื้อของไม่ได้ซื้อก็เงดหงิ ด, งดลาคาญใจให้เห็นว่ามันเป็นการกระทําที่จะเกิดโทษเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไปทําตามความอยากพอเรารู้ปับ๊บเวลามันเกิดมันอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรเราก็ใช้สมถะมาหยุดมันได้เพราะเราเคยหยุดมันมาแล้วเมื่อหยุดมาแล้วมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราทุกครั้งที่มันอยากเราก็ทําอย่างนี้ไป ต่อไปมันก็จะไม่มามันหมดกําลังสู้เราไม่ได้มันก็จะยอมแพ้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องเข้าไปในสมาธิแล้วเพราะไม่มีความอยากเป็นตัวที่จะต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องหยุดมันไม่มีอะไรให้หยุดแล้วตัวที่มาทำลายความสงบความสุขของใจมันถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยปัญญา ก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิก็ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เหมือนกันเหมือนกับกินยาก็ได้ไม่กินยาก็ได้เวลาที่โรคหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วแต่ถ้ายังมีโรคภัยไข้เจ็บก็ยังต้องกินยาอยู่กินยาเพื่อไปทำลายเชื้อโรคที่มาทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บพอไม่มีเชื้อโรคเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็ไม่ต้องกินยากินไปทำไมกินไปก็เท่ากันกินก็ ไม่มีคมีความไม่มีความแตกต่างกันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปเพราะมันไม่มีที่จะหายแล้วความทุกข์ใจใจมันเกิดจากความอยากต่างๆเมื่อเราสามารถใช้ปัญญากําจัดมันควบคู่กับสมถะได้แล้วเมื่อมันไม่มาพบมันเมื่อมันไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปทำลาย ส, สมถะภาวนาการวิปัสสนาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำลายอะไรเพราะตัวที่จะให้ทำลายไม่มีแล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องวิปัสสนาไม่ต้องสมถะอีกต่อไปพระพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่าไม่วิปัสสนาท่านไม่สมถะแล้วท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อเพื่อการพักผ่อนจิตใจกับร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อมากำจัดความอยากมาบำบัดความทุกข์ต่างๆเพราะไม่มี เหมือนคนที่หายจากโรคแล้วไม่กินยาแล้วยารักษาโรคไม่กินแล้วถ้ากินก็กินวิตามินยาบำรุงเท่านั้นเองแต่ยาที่จะมาฆ่าเชือ้อฆ่าอะไรต่างๆในร่างกายมันไม่มีเชื้อให้ฆ่าแล้วก็ไม่ต้องกินยาฆ่าเชือ้อแต่ยังกินยาอยู่กินยาบำรุงกินวิตามินกินอะไรไปเพื่อจะได้รักษาธาตุขันให้มันดีอยู่ไปได้เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไป พระพุทธเจ้าพาหลานท่านก็เดินโยมโคมนั่งสมาธิแต่ไม่ได้เดินโยมโคมนั่งสมาธิเพื่อมากําจัดกิเลสตัณหาเพราะไม่มีกิเลสตัณหาให้กําจัดมันหมดไปจากใจแล้วเดินเพื่อให้ความสบายร่างกายมันถึงเวลานั่งนานๆมันก็อยากจะลุกก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนระยาบทถ้าคิดมากๆจิตก็เหนื่อยก็ต้องพักมันหยุดบันในสมาธิเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทําเพื่อกําจัดกิเลสตัณหา นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เป็นตัวสร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราถ้าจิตใจเราฉลาดมันก็จะสร้างแต่ความสุขดับความทุกข์ถ้าจิตใจโง่มันก็จะสร้างแต่ความทุกข์มันไม่สร้างความสุขให้กับเราแล้วจิตใจของพวกเราจะฉลาดหรือจะโง่ก็อยู่ที่ว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะถ้าเรามีธรรมะเราก็จะฉลาด ถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะโง่เราจึงต้องเข้าหาธรรมะมาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อฟังแล้วฉลาดแล้วเราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเราก็จะเอาไปะละการกับทาบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราทาได้จิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มีแต่ความสุขที่เรียกว่าบรมมัสุขที่จะอยู่คู่กับไปอยู่คู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เราได้เข้าหาพระพุทธศาสนาเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมเข้ามาปฏิบัติธรรมกันก็ขอให้ท่านจงนาเอาไปพิจิพิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจและการสิ้นทุกข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 จันโทปนาราโสยทธามณิโชติอราโสยทธาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิทีขายุโกภวาอภิวาทานสิตษะนิจังุทธาปจายิโน จตารโธรรมวัฐานติอายุวันโสุขังภาลังระดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่พอเลิกประชุมแล้วก็ของดหลังจากนั้นอย่ามาถาม ถ้าไม่ตอบก็จะหาว่าไม่เมตตาไม่ได้เพราะเมตตาตอนนี้แล้วตอนนี้ถามได้เต็มที่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้ถ้าไม่อยากจะให้รู้ว่าใครเป็นคนถามก็เขียนข้อความส่งเข้ามาแต่อย่ามาถามหลังจากนี้ไปแล้วเพราะมันมันเหนื่อยแล้วแล้วก็ประโยชน์ก็จะน้อยน้อยได้คนเดียวเพราะถ้าถามแบบนี้คนได้รับประโยชน์เป็นพัน มีคนติดตามฟังติดตามอะไรทางบ้านถ่ายทอดสดก็ห้าร้อยสี่ห้าร้อยคนแล้วยังมีผู้ติดตามดูย้อนหลังอีกอันนั้นก็มีคุณมีประโยชน์มากคําถามของเราเนี่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเพราะหัวอกเดียวกันกิเลสแบบเดียวกันคิดแบบเดียวกั น, บบยกนอยากแบบเดียวกันอันั้นก็พอเขาได้ยินคําถามเขาจะได้ป้องกันตัวเขาไว้ก่อน ข่าวหน้าเขาจะได้ไม่พังเผลอทําตามที่เราทําไปก็เป็นเป็นการให้ธรรมทานแก่ผู้อื่นไปการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงยังต้องถือว่าเป็นการถามปัญหาเนี่ยดีเป็นการแบ่งธรรมะให้แก่ผู้อื่นอ้านวัสการค่ะหลวงพ่อหนูจะถามเรื่องสมาธิเจ้าค่ะ เ, เมื่อสักวันสงวันเนี่ยหนูนั่งเราก็มีปรากฏก็คือว่า หนูพุโทโธพุโทโธแล้วก็อยู่ดีๆข้างในอะ่ะก็มีคาว่ า, าสวดพาหง ข, ขึ้นมาหลวงพ่อเจ้าคะแล้วหนูก็รู้ว่าเป็นพาหงหนูก็สวดตามหนูก็สวดจนจบพาหง <c oughs> แล้วหนูก็มาพุโทโธหนูกลัวหลงเจ้าคะหลวงพ่อก็เลยจะถามว่าหนูทําผิดหรือเปล่าเจ้าคะหนูหลงแล้วอะ <c oughs> ไปสวดตามเขาก็หลงให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอะไรมาก็อย่าไปภาพมาก็อย่าไป ลูกแก้วลอยมาก็อย่าตามไปเสียงมาก็อย่าตามไปให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวของเรานั้นมันก็จะหายไปเท่าขาถ้าตามไปจิตก็จะหลงทางแล้วจะไม่เข้าสู่ความสงบแต่หนูก็กลับมานะคะใช่มันกลับมาดียังกลับมากลัวไม่กลับอ่ะยังเป็นบุญที่กลับมาอยู่มันเสียเวลาลเสียเวลาบันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาพุโทโธใหม่ แล้วก็อันที่สองนี่จะว่าให้อาพิธีกรค่ะคนที่ฝากใส่บาทมาค่ะแล้วก็ฝากคำถามคำถามฝากถามค่ะถ้าเพิ่งเลิกกับแฟนและเรายังรักเขาอยู่แต่เขาไปมีคนใหม่แล้วเราควรทำอย่างไรครับก็ส่งดอกไม้ไปให้เขาแสดงความยินดีเรารักเขาเราอยากให้เขามีความสุขเมื่อเขามีความสุขเราก็ต้องแสดงความยินดีเหมือนพวกนักกีฬาเนี่ยใช่ไหม นักกีฬาว่าเวลาแพ้เราก็ต้องแสดงความยินดีต่อคู่ต่อสู้กับเราเราถึงจะถือว่าเราเป็นคนที่สูงคนที่เก่งถ้าเราไปเสียใจแสดงว่าเราโง่ทําไมต้องไปเสียใจอยู่ดีๆมันทําให้ใจเราเสียทําไมต้องทําให้ใจเราสุขซิใจเราสุขเราก็ต้องแสดงความยินดีกับความสุขของผู้อื่นมุติตาจิตนคําถามฝากถามถามีคําถามค่ะ การทำงานมีแต่การกลั่นแกล้งอิดชา้าจนพึ่นฝูงลาออกไปส่วนหนึ่งเหลือแต่ผมที่ไม่มีพวกพ้องผมควรทำตัวอย่างไรดีครับเพราะตัวคนเดียวไม่มีพรรคพวกที่จะช่วยเหลือผมจะทำอย่างไรครับถ้าเรายังต้องอยู่เราก็ต้องทาใจอยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกนี้มันก็มีคนดีไม่ดีปนกันไปเป็นจังหวะของเราที่มาเจอกับคนไม่ดี แต่ถ้ายังไปไม่ได้ก็ต้องทำใจแต่ถ้าไปได้ก็ไปไปหาที่ดีกว่าคำถามจากายค่ะเวลานั่งสมาธิกำหนดพุดโทโธปกติทำเกือบทุกวันบางครั้งรู้สึกสนุกปิติในการภาวนาบางวันเป็นช่วงช่วงรู้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกรู้สึกหายใจลำบากเหมือนมีอะไรจุกตรงหน้าอก ทั้งที่พยายามตั้งสติในการบริกรรมพุโทโธไม่คิดปรุงแต่งอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีแก้ไหมครับก็เป็นปกติเวลาเราที่จะทําภาวนานี่กิเลสมันก็มักจะมาสร้างอุปสรรคต่างๆสร้างความรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกหน้วท้องเรือแต่เวลานั่งดูหนังนี่มัไม่เป็นนั่นก็อย่าไปสนใจ พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวถ้าใจสงบแล้วมันก็จะหายไปตอนนี้ยังไม่สงบมันต่อสู้กันก็เหมือนชกมวยกันก็ต้องเจ็บบ้างเขาต่อยเราเราก็ต่อยเขาแล้วเอามาสร้างความรู้สึกไม่ดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเขาก็แพ้เราเองถ้าเราไม่ยอมแพ้เขาเขาก็ต้องแพ้เราพอเราอยู่กับพุโทโธไปเื่อยเดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็จะหายไปอีกคําถามค่ะหนูเป็นคนทําอะไรช้ามากๆช้าแบบไม่รู้ตัว เป็นแบบนี้มานานแล้วจนเพื่อนร่วม ง, งานบนทำงานร่วมกับใครก็ช้าไปหมดหนูพยายามจะทำให้เร็วแล้วแต่ก็ทำงานไม่ทันคนอื่นหนูจะแก้ไขยอย่างไรดีเจ้าคะก็มันเป็นนิสัยของเราต้องชอบทำอะไรช้าๆเราก็ต้องฝึกใหม่หัดทำอะไรให้เร็วใช้สติฝึกสติทำอะไรให้ใจจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วต่อไปมันก็จะทาได้เร็ว ถ้าใจเราล oy, ร อ, ร อ, อยทําไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปมันก็จะทําช้าหรือทําผิดทําผิดมันก็ต้องกลับมาทําใหม่มันก็จะทําให้ช้าได้ยังต้องลองฝึกสติดูลองพุทโธพุทโธดูเตือนขึ้นมาก็ลองพุทโธพุทโธแล้วจิตก็จะมีสติจะจดจ่ออยู่กับงานที่เราทาพอเราจดจ่ออยู่เราก็จะทําได้เร็วถ้าใจเราไม่จดจ่อไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะทาไม่ได้เร็ว ทำไม่ถูกทําแล้วอาจจะต้องทําใหม่มันก็เลยทําให้ช้าได้คําถามจาก facebook ค่ะที่ผมพยายามจะใส่บาตรแต่ที่คอนโดมีข้อห้ามไม่ให้ทํากับข้าวในห้องของที่ใส่บาตรส่วนใหญ่ก็เป็นของแห้งเช่นหมูยองนมกล่องอันนี้สรงนี้จะต่างจากการใส่กับข้าวหรือไม่ครับถ้ามูลค่าของเท่าเๆกัน อ, อ๋อไม่ต่างหรอกถ้าของถวายแล้วพระฉันได้ในวันนั้น ถ้าจะใส่บาทเนี่ยถ้าของถวายแล้วพระฉันไม่ได้เช่นเนื้อเด็ดเรียกว่าผักเด็ดยังไม่ได้มีการผสมมีการปรุงมีการกระทําให้เป็นอาหารพระเอาไปฉันไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่บุญก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าพระพระก็รับกรรมไปเท่านั้นเองได้ของแต่ของเอาไปกินไม่ได้อย่างหลวงปู่มัน่นนั่นเคยเล่าให้ฟังว่า ท่านบินบาดกับชาวเขาแล้วชาวเขาก็บางทีเขาทาปลาลาดิบใส่บาด ท, ที่นี้อาหารของพระนี่ต้องเป็นอาหารที่สุกแล้วปลาลาดดิบนี่ก็ถือว่ายังไม่สุกมันต้องสุกด้วยไฟงั้นแต่ท่านก็ไม่บอกเขาเพราะว่าเป็นพระบอกไม่ได้ท่านก็เลยกินข้าวเปล่าไปจานข้าวเปล่าไปเพราะว่ามันเป็นของดิบ ของเดือบฉันไม่ได้เลยของเมาอยังพวกเข้าเข้าอะไรนะเข้าเมาเ ข, ข้าหมักก็ไม่ได้เนะนี่ยมัก็เป็นมันมันมีสุราแล้วมันเพราะหมักแล้วมันกลายเป็นสุราขึ้นมาเป็นเอยผ้าผ้ากระฉันไม่ได้เนื้ออาหารที่ไม่ไม่สุกเต็มที่ไข่ดาวที่ยังเป็นเหลวๆอยู่ยังไม่แข็งนี่ก็ไม่ได้เนื้อที่ยังมีเลือดซิบๆอยู่นี่ก็ยังถือว่าเป็นของดิบอยู่ งั้นจะทำของที่ถวายให้กับพระนี้ต้องเป็นของสุกแล้วถึงพระถึงจะฉันได้แต่พระรับได้แต่บอกโยมไม่ได้ท่านั้นเองบอกได้ก็ต่อเมื่อมีคนถามอย่างนี้ถึงจะบอกได้ถ้าไม่ถามก็บอกไม่ได้เดี๋ยวหาว่าจู้จี้จุกจิกอยากจะกินนู้นกินนี่เดี๋ยวไม่ใส่ให้มันเลยคำถามจากคุณด้วยฟูค่ะบางที่เขาสอนให้มีสติ อยู่แต่การเคลื่อนไหวของกายแต่ไม่ให้นั่งสมาธิเพราะกลัวว่าจะเห็นนิมิตต่างๆอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับก็แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจการนั่งสมาธิก็สำคัญต้องทําแต่ก่อนจะนั่งได้ก่อนที่จะควบคุมพวกนิมิตต่างๆได้ก็ต้องฝึกสติก่อนก็ต้องเฝ้าดูอิเลียบทเคลื่อนไหว แต่ถ้าฝึกสติอย่างเดียวไม่นั่งสมาธิก็ไม่มีวันที่จะสงบที่จะรวมเป็นสมาธิได้ก็เป็นเพียงแค่สตินั้นตอนต้นก็ต้องฝึกสติก่อนให้เฝ้าดูวิริยาบทการเคลื่อนไหวอย่างต่อเ น, นื่องไม่ว่ากาลังทาอะไรอยู่แล้วพอไม่ต้องทำอะไรก็นั่งถ้ามีสติรับรองได้จะไม่มีนิมิตมีก็ไม่ตามไปที่มันที่มันมีปัญหาก็มันตามนิมิตไป เพราะไม่มีสติพอนั่งแล้วไม่มีใครสอนว่าให้อยู่กับอะไรพอนั่งก็คิดว่าอะไรมาก็ไปกับมันเลยเอมันก็เลยพาให้อย่างมีเรื่องสั ม, มนเนนที่เขาเล่าให้ฟังว่าสัมมาเนนนั่งแล้วเห็นลูกไฟดวงไฟก็ตามไปเลยพอมันลืมตายที่เอาอยู่บนต้นไม้เนอะตามนิมิตไม่ตามพุทธโธไม่อยู่กับพุทธโธไม่อยู่กับลมหายใจ เวลานั่งสมาธินี่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอะไรผูกใจไว้เหมือนเรือเราต้องมีสมอไว้ทอดหรือมีท่าเรือไว้ผูกเรือเรือมันถึงจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสน้ําเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรผูกใจไม่งั้นเดี๋ยวใจมันจะไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปาปรากฏในใจโดยไม่รู้สึกตัวต้องมีสติหนึ่งอยรู้สึกตัวต้องมีพุทโธหนึงจะรู้สึกตัวตททต ว, ว่ากําลังพุทโธอยู่ ดูลมถึงจะรู้สึกตัวกำลังดูลมอยู่แต่พอนั่งแล้วไม่มีอะไรนี้เดี๋ยวอะไรมาก็ไปกำมันคิดอังนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์จะอาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าไปเจอนิมิตไม่ดีเขาก็กลัวต่อไปก็ไม่กล้านั่งเลยคำถามจากคุณจงศนีค่ะการไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดบ่อยๆครั้งในชาตินี้แต่เพว่า เรายังไม่ไปถึงขั้นอรหันต์สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปในภพหน้าไหมคะก็ติดมากติดน้อยอยู่ที่เราทำมากทำน้อยมันจะเป็นนิสัยถ้าทำมากมันก็จะติดเป็นนิสัยถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นสันดานถ้าเป็นสันดานมันก็จะมันก็จะอยู่กับเรานา น, านถ้าเป็นนิสัยมันก็จะอยู่ไม่นาน เดี๋ยวไปเจอนิสัยอื่นไปอยู่ที่อื่นก็มีท้ายทอย่างอื่นบางทีนิสัยเก่าก็อาจจะหายไปได้แต่มันติดไปเพียงแล้วจะติดมากติดน้อยเท่านั้นเองทําอะไรไปแล้วมันก็จะติดไปอย่างเราใช้มือซ้ายมือขวานี่มันก็ติดนากับเราชาติก่อนเคยใช้มือขวามันก็ชาตินี้มันก็จะมาใช้มือขวาชาติก่อนชอบสีเขียวชาตินี้มันก็จะมาชอบสีเขียวชาติก่อนชอบของเปรี้ยวของหวานมันก็จะชอบของมันไปตามนิสัยของมัน นี่มันจะติดตัวไปหมติดไปกับใจเพราะผักพองมันออกมาจากใจใจเป็นผู้กระทาไม่ใช่ร่างกายคำถามจากคุคณสุวรรณเนฟแลนได้ฝึกปฏิบัติมาระยะหนึ่งเจ้าค่ะฝึกจิตไม่ให้ส่งออกทั้งกลางวันกลางคืนด้วยคำบริกรรมพุทโธไว้กลางลำตัวในขณะนี้ไม่ว่าทำอะไรบริกรรมพุทโธก็เกิดขึ้นอัตโนมัติตลอดที่กลางลาตัวหรือ เมื่อมีอะไรมากระทบจิตคำบริกรรมพุทโธก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งเมื่อก่อนต้องพยายามกำหนดคำบริกรรมที่เป็นเช่นนี้ถูกต้องและผลการปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นหรือเป็นเพียงแค่ตัวสัญญาจำได้ที่เกิดขึ้นเจ้าคะ่ะเดี๋ยวฟังไม่เข้าใจลําพูดอีกทีนะ่ได้ฝึกปฏิบัติมาระยะหนึ่งเจ้าคะ่ะ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 และผลการปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นหรือเป็นเพียงตัวสัญญาจําได้เจ้าคะ่ะ อ, อ๋อถ้าเราสามารถมีพุโทโธได้ก็ถือว่าถูกต้องมีพุโทโธห ย, ยุดอารมณ์หยุดความคิดต่างๆได้ก็ถูกต้องอีกข้อหนึ่งเจ้าคะ่ะดิฉันต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นพอะบางครั้งนึกอะไรไม่ออกเลยเจ้าคะ่ะจะมีแต่คาบริกรรมนี้เกิดขึ้นเองตลอดโดยอัตโนมัติ ถ้าเราพยายามหยุดคำบริกรรมเหลือแต่ความว่างคือตัวรู้ว่าเฉยๆได้หรือไม่เจ้าคะก็ควรจะนั่งสมาธิถ้ามีพุโทโธแล้วก็ควรจะนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็ถ้าไม่มีความคิดจะหยุดบริกรรมก็ได้แต่คิดว่าบริกรรมไปดีจะดีกว่าบริกรรมไปจนกว่าจิตมันจะตกหุมตกบ่อมันจะรู้สึกวูบลงไปแล้วก็เน่งสงบมีความสุข าหยุดบริกรรมมันอาจจะคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้งั้นอย่าไม่ควรจะหยุดคำบริกรรมถ้าจิตยังไม่รวมให้จิตรวมแล้วมันจะหยุดของมันเองเพราะว่าถึงแม้เราคิดว่าเราไม่ได้คิดแต่มันอาจจะมีความคิดลึกๆที่เรามองไม่เห็นก็ได้งั้นใช้คำบริกรรมไปดีกว่าอย่าหยุดตอนที่นั่งสมาธินี่อย่าหยุดคาบริกรรมบริกรรมไปจนกว่าจิตมันจะรวมมันจะวูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบอ่อ แล้วมันก็จะเน่งสงบแล้วตอนนั้นคำบริกรรมมันก็จะหยุดไปเองแล้วเวลาหยุดแล้วก็พยายามให้มันอยู่ในความสงบนั้นไปนานๆอย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่าเพิ่งไปพิจารณาทางปัญญาให้มันสงบได้นานๆเพราะมันเป็นความสุขมันเป็นพลังแล้วพยายามหัดทำบ่อยๆให้มันเข้าไปในสมาธิได้บ่อยๆได้ง่ายๆได้เร็วๆจนมีความชนานาญเหมือนกับหัดขี่จักรยาน ตอนต้นก็นหัดขี่ให้ได้ก่อนขี่ได้ต่อไปก็ปล่อยมือได้ยกเท้ายกขาได้เล่นลวดลายต่างๆได้แต่ถ้ายังขี่ไม่ชํานาญอย่าเพิ่งไปเล่นลวดลายเดี๋ยวมันจะลม้มสติสมาธิก็เหมือนกันถ้ายังเข้าไม่ชํานาญยังไม่เก่งอย่าเพิ่งไปทางปัญญาเพราะไปทางปัญญาต้องใช้ความคิดแล้วเดี๋ยวเกิดมันคิดแหกโค้งคิดไปทางกิเลสมันจะหยุดไม่ได้อตอนต้นนี้ให้หัด หัดคิดให้หัดหยุดคิดก่อนหยุดคิดยังทั้งควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาที่เราต้องการแล้วต่อไปถึงค่อยใช้ความคิดคิดไปในทางปัญญาพอมันเริ่มคิดเลอะเทอะเราก็หยุดมันได้แทนที่จะเป็นปัญญามันเริ่มคิดเป็นกิเลสไปแล้วกังวลกับเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้แสดงว่าเป็นกิเลสก็ต้องหยุดมันกลับไปในสมาธิทําใจให้สงบก่อนแล้วค่อยออกมาพิจารณาทางปัญญาใหม่ คำถามจากคุณพีโกค่ะเพื่อนชวนโยมไปถวายสังฆทานแต่โยมไม่ได้ซื้อของร่วมถวายสังฆทานตอนกรวดน้ำจับแขนเพื่อนโยมจะได้บุญไหมครับถ้าไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้จ่ายอะไรเลยก็ไม่ได้บุญ <c oughs> ได้ก็ได้แค่บุญที่เกิดจากการร่วมยินดีกับผู้ที่ทำบุญนั่นเองเหมือนไปไปกินร้านอาหารเห็น ก, ก็กินข้าวก็ไปแสดงความยินดีกับเขา <c oughs> แต่ตัวเองไม่ได้กิน ก็ได้ความสุขจากที่ไม่อิจฉาเขามันมันได้กินกูไม่ได้กินอย่างน้อยก็ดีใจกับไปกับเขาเห็นเขาได้กินถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้กินตัวเองก็มีความสุขจากการยินดีแต่ไม่ได้มีความสุขจากการได้กินถ้าจะทำบุญน่วมกับเขาก็ต้องแบ่งต้องจ่ายเงินออกค่าถึงแม้จะไม่มีของก็เอาเงินใส่บาตรเอาเงินใส่ตู้ก็ได้แล้วอย่างงั้นเราก็จะได้บุญ คือบุญเกิดจากการเสียสละของที่เรามีแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะให้ใครก็ได้ให้พระก็ได้ให้โยมก็ได้ให้แมวให้หมาก็ได้มันเป็นผู้รับไม่สำคัญบุญเกิดจากการให้ของเราเกิดจากการเสียสละของเราอีกคำถามจากคุณพีโกค่ะเราสามารถนำส้มเป็นลูกเช่นส้มเขียวหวานไม่ได้แกะเปลือกลงใส่บาตรพระได้ไหมครับอ๋อได้สม้ม กินได้เดี๋ยวก็กลับไปที่วัดพระเขาก็จะมีลูกิเส์ช่วยทํากัปปิยะให้คือผลไมห้หรือผักที่มันยังจะเกิดได้เช่นส้มมันมีมเมล็ดเนี่ยก่อนที่พระจะฉะนันในพระจะต้องให้ลูกเสดทําลายมันก่อนฆ่ามันก่อนพูดง่ายๆทาให้มันไม่ตายก็คือเอามเมล็ดออกแต่ไม่ต้องเอาออทั้ ง, ท, งทั้งทั้งทุกลูกทุกเม็ดเล็ดออกทำเป็นพิธีพอหอมปากหอมคอเช่นเพียงแต่ถ้าเป็นส้มก็ให้บอกให้พระ บอกให้ลูกศิษย์ฆ่ามันก็ฉีกเปลือกนี่ก็ถือว่าค่าแล้วเอก็ทําเป็นพิธีหน่อยเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนชาวบ้านก็ว่าของพวกนี้มีชีวิตเดี๋ยวพากินเข้าไปก็ถือว่าฆ่าสัตว์ฆ่าสิ่งที่มีชีวิตกินแล้วไปเคี้ยวเมล็ดอมเมล็ดหรผักบุงที่มีรากเดี๋ยวมันก็ยังขึ้นได้ผักบุ้งเข้าไปแช่น้ําเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ดงั้นของที่มันยังจะมีชีวิตต่อได้นี่ต้องทําลายมันก่อนด้วยการหักมันก็ได้ ถ้ามีพริกก็หั่นเปนสักเม็ดหนึ่งแต่ไม่ต้องหั่นทุกเม็ดทําเป็นพิธีหน่อย mm hmm. ทางภาคกลางเรานี้เราจะ อ, าอ่รู้คืนตู้แต่ไม่รู้ว่ารู้ทำแต่ไม่รู้ว่าทำเพราะอะไรก็คือส่วนใหญ่ผลละไม้จะปอกจะอะไรจะหั่นเป็นชิ้นๆใส่จานไปเลยอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการทําลายมันให้พระได้ฉันแล้วแต่คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าพระขี้เกียจปอกเองมันก็เลยต้องให้ <laughs> ใญาติโ ย, ยมต้องมามามาแกะมาบอกมามาตัดเป็นชิ้นแต่ความจริงอนั้นก็เป็นวิธีฆ่าฆ่าของที่มันมันจะเกิดขึ้นได้ mm hmm. เรียกเรียกทำกัปปิยะกัปปิยะนี้แปลว่ า, าการกระทําให้สมควรแก่ความการบริโภคพระจะถามโยมเวลาสําหรับพระป่านี้เราจะจะถามโยมเวลาเอาผักเอาผ ล, ลไม้มาใส่ถาดมาแล้วก็ถามว่ากัปปิยังกัโรห oh ิ ทำให้ฉันได้หรื อ, อยังญาติโยมก็จะทําต่อหน้าหักหักหักผักบุ้งรูปปอกเปลือกซ้มสักลูกหนึ่งแล้วก็บอกกัปปิยะพันเตอได้ทําให้สมควรกับการบริโภคแล้ว น, นี่คือวิธีของพระป่าจะทํากันเพราะชาวบ้านเขาไม่มีเวลาที่จะมาแกะเปลือกมาหั่นเป็นชิน้นเป็นชิน้ น, นอนุญาติโยมให้พระฉันเขาก็จะเอามาทั้งลูกเอามาทั้งถาดนี้ก็มีการกระทํา เป็นเป็นพิธีว่าได้ได้ทํากับปิยะแล้วของที่ต้องทาก็คือผ ล, ลไม้ผักของที่มันยังจะเกิดได้คําถามจากคุณแพตไม w วไม y walk ค่ะโยมฝึกนั่งสมาธิมาสักพักตามที่หลวงพ่อบอกเมื่อจิตมันสงบก็เกิดอาการปวดไหล่ปวดขาร่างกายเจ็บปวดทุก ทรมานมากโยอมพยายามอดทนนั่งดูสังขารที่เจ็บปวดคิดว่าให้ปวดตายไปเลยจะยอมตายสักพักยมก็เอาสติมาจับที่ลมหายใจลมหายใจละเอียดมากจนรู้สึกว่าไม่หายใจแต่ก็รู้ว่าหายใจจิตเกิดปิติขึ้นมาอย่างมากปีก้อนสะอื้นตื้นตันน้ําตาไหลอิ่มเอิบใจ และรู้สึกเกิดกำลังใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ในการอยากที่จะปฏิบัตินั่งสมาธิแต่โยมต้องถอยสมาธิออกมาเพราะเกิดปิติจนร้องไห้น้ําตาไหลไม่หยุดขณะที่พิมนี้น้าตายัางไหลไม่หยุดเมื่อนั่งต่อก็ยิ่งอยากร้องไห้เพราะรู้สึกเหมือนได้ของที่หายไปกลับคืนมาขอหลวงพ่อช่วยแนะนมโยมควรจะวางจิตอย่างไรดีคะ เกิดปิติแล้วร้องไห้น้ำตาไหลแบบไม่ยอมหยุดก็อย่าไปสนใจมันให้ดูลมต่อไปนอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจถ้ามันยังไม่นิ่งมันไม่ว่างยังมีอะไรอยู่ก็ดูลมต่อไปพุทโธต่อไปมันเป็นทางผ่านถ้าไปหยุดตรงนั้นมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไปไม่ถึงจิตจิตจุดที่จิตจะรวมเป็นหนึ่งเป็นอิเบคขา เวลาภาวนาเนะเกิดปิติเกิดน้ำตาไหลก็ไม่ต้องสนใจดูลมต่อไปพุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะวุบลงไปตกลุมตกบ่อแล้วก็เน่งสงบนะ น, นะมันถึงจะหยุดได้ออยสองสามคำถามได้เยู่คะเจ้าค่ะคำถามจากคุณค ก, กิ๊กบุ๊กอารมณ์ของหนูเปลี่ยนแปลงเร็วมากเป็นอารมณ์รุนแรงจะเกิดตอนมีเรื่องทุกเรื่องในจิตใจหรือมีเรื่องกดดัน รู้ควรแก้ไขยอย่างไรดีเจ้คาคะต้องหมั่นฝึกสติให้มากๆาึสตินี้จะคุมอารมณ์ได้บริการพุโทโธไปต้องหัดทําก่อนที่จะเกิดอารมณ์เพราะถ้าไปทําตอนที่เกิดอารมณ์มันมันจะไม่มีกําลังมันไม่ได้ซ้อมไว้ก่อนเหมือนชกมวยไม่ซ้อมชกก่อนไปขึ้นบนเวทีก็ถูกเขานอกเกาเท่านั้นเองดนั้นก่อนที่จะไปสู้กับอารมณ์ได้เราต้องฝึกก่อนฝึกสติก่อนมันพุโทโธตั้งแต่ยังไม่เกิดอารมณ์ ตั้งแต่ตอนลืมตายขึ้นมาเนี่ยก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเพราะความคิดนี่แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดอารมณ์ต่อไปพอเรารู้ว่าเกิดอารมณ์ปับ๊บเราก็พุโทโธปับ๊บความคิดจะหยุดปับ๊บอารมณ์ก็จะหยุดปั๊บทันทีงั้นหมัน่นฝึพุโทโธไปบ่อยๆฝึกสติให้มากๆไม่พุโทโธก็เฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ อย่าปล่อยให้ร่างกายไปทํนอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เพียงนึกอย่างเดียวคำถามจากคุณสุเมศค่ะถ้าหลังมีปัญหาหมอนรองกระดูกปลิ้นเล็กน้อยและเขาก็มีปัญหาอักเสบไปรักษากับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ควรให้นั่งนานๆหรือเดินนานๆ น, นั่งขัดสมาธินานๆหรือท่านั่งนั่งท่าเบนจางประดิษฐ์ เราจะทำอย่างไรได้บ้างครับในการปฏิบัติภาวนาเราไม่ต้องไปสนใจร่างกายเลยหรือเปล่าคือว่าปฏิบัติไปเลยตามพ่อแม่ครูอาจารย์จะเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปหรือว่าเราควรจะรักษาร่างกายประคองไปก่อนก็นั่งตามที่เรานั่งได้ก็แล้วกันนั่งฟับเพี้ยไม่ได้นั่งาัดสมาบัไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก็ได้ตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องนั่งแบบนานๆก็นั่ง เท่าที่เรานั่งได้ไปก่อนนั่งสมาะนั่งเก้าอี้ไปก่อนแต่ต่อไปคิดว่าถ้านั่งเก้าอี้แล้วมันมันไม่สะดวกมันไม่ดีเท่ากับนั่งขัดสมาะเราก็ต้องนั่งขัดสมาะแล้วมันจะตายมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็นั่งแบบที่เรานั่งทำของเราไปก่อนนั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้นั่งขอบเตียงไปก็ได้นั่งแล้วจิตก็สงบใน ระดับหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันไม่สงบเท่ากับนั่งขัดสมาธิแล้วก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราอยากจะให้มันสงบนานกว่านั้นแล้วนิ่งมากกว่านั้นก็ต้องนั่งในท่าถัดสมาธิเพราะนั่งในท่านั่งเก้าอี้เดี๋ยวบางทีมันจะรู้สึกเอ็นไปเอ็นมาได้ก็ต้องตอนต้นทําเท่าที่เราทําไปได้ในในสภาพที่เราเป็นอยู่ก่อนเมื่อเราคิดว่าเราจะต้องทํามากกว่านั้นเราค่อยเปลี่ยนเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรเราจะเอาร่างกายหรือเราจะเอาธรรม พระเจ้าบอกให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าอยากจะได้ธรรมมันก็บางทีก็ต้องสละชีวิตถึงจะได้ธรรมคำาถามจากคุณกิติยาค่ะอยู่ทาทานและรักษาศีลห้าได้พอสมควรแต่ยังชอบออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามทั้งในและต่างประเทศมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะถือศีลแปดสิถือศีลแปดก็ไปไม่ได้นะ <c oughs> หมนแยงัง ไ <c oughs> อ้อข้อนสุดท้ายจากคุลีค่ะภรรยาท้องแล้วไม่ได้บอกเราแต่แอบไปเอาเด็กออกโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินเราจะบาปด้วยไหมครับไม่บาปเพราะเราไม่กินไม่มีส่วนรับรู้เราไม่ได้สั่งเขาเลยให้เขาไปทำเขาเป็นผู้ไปทำเขาเองถ้าราับรูเรบร้เรารับรู้แล้วเรามีความเห็นยินดีร่วมกับเขาเราก็จะบาปแต่ถ้าเขาบอกเขาจะไปเอาออกแล้วเร า, าก็บอกว่ายา อ, าออกเลยนี่เราก็เราก็ไม่บาปนะ ถ้าก็ยังไปทาอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นร่างกายของเขาชีวิตของเขาเขาอยากจะทาก็เรื่องของเขาแต่เราเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการการทาของเขาแต่ก็ต้องบอกเวลาเขาถามแล้วต้องเราต้องบอกอย่าทำถ้าเราเฉยอาจจะเป็นเือว่าเป็นการสมยอมต้องต้องรู้จุดยืนแน่นอนว่าเราเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกับการฆ่าถึงจะไม่บาป แต่ถ้าทําเป็นเฉยๆไปก็อาจจะมีส่วนร่วมโดยที่ไม่ไม่บอกจุดยืนของตอนเองอ่านแ้เนี่ยนะอามีเหรอถามนะครับเราสามารถถวายพวงมาลัยดอกไม้น้ําพระพุทธรูปที่บ้านได้ในเวลาไหนบ้างเจ้าคะอ๋อไม่ต้องถวายหรอกถวายเวลาไหนก็ได้ใช่ถวายพระเจ้าบอกว่าอากจะถวายอยากจะบูชาพระจ้าให้ไปปฏิบัติบูชาดีกว่า ปฏิบัติบูชาก็คือให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลให้ภาวนาครับแต่ถ้าอยากจะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนน้ำอะไรก็ตามก็บูชาได้เวลาไหนก็ได้แล้วแต่ที่จะสะดวกอะไรนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ฮั uh